เทศในคืนวันที่ยี่สิบหกตุลาคมพศสอง8ันห้าสิบปดณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยานัสัมปันโนเทศอบรมคณะผ้าป่าของท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพุทธพศวราราภณจากกรุงเทพมหานครจะเป็น กี่กันก็ไม่ทราบเทศทุกคืนทุกคืนตั้งแต่วันที่สองด้วยมาคําเทศก็รู้สึกจะหมดไม่มีอะไรเหลือแหละเก็บเียกผสมน้อยแล้วยังไงก็พรุณา ฟ, ฟังไปตามมีตามเกิดวันนี้วันนี้จะไม่เกินอะไรไปมาก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 และจะยังคงเส้นคงวาเป็นมัตติมาอยู่ตลอดไปสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติหรือมีความเชื่อความร่วมสายในการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัตติมานี้จึงเป็นผู้สมหวังไม่ว่าจะดําเนินในทางใดบรรดากูศณที่เราจะสั่งสมขึ้นที่ด้วยกายวาจาใจของเราอันเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้ว ยอมเป็นความถูกต้องดีงามและยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ทราทั้งหลายตามกำลังของตนโดยลำดับไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมจึงเป็นธรรมที่ประกาศโลกตลอดมาไม่มีการคืไม่มีการล้าสมัยนอกจากมนุษย์ของเราเท่านั้นจะเป็นผู้คืผู้ล้าสมัยแล้วกตนิธรรมของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาว่าล้าสมัย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 เครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องขัดดันออกมาหากเราไม่ยึดหลักทำคำท่องสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของแท้ของจริงของสะอาดปราศจากมลทินอันจมอมปลอนทั้งหลายเป็นเครื่องดําเนินก็ไม่ทราบว่าจุดหมายปลาทางของเราทั้งหลายจะเป็นไปได้อย่างไรเช่นเดียวกับการเดินทางไม่ทราบว่าทางนี้ไปทางไหนเป็นจุดประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ที่เราจะเดินไปนี้อาจจะเป็นทางอื่นทางใด ซึ่งไม่ใช่ทางที่เราต้องการหรือจุดที่หมายที่เราประสงค์ก็ได้แต่หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยทางเหตุนี้เรียกว่าแนวทางที่ถูกต้องดีมากซึ่งเป็นที่แน่ใจของเราทั้งหลายซึ่งตรงกับเราได้เปลี่ยนวาจาถึงท่านว่าพุทธทางสนางคาฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าทำมังสนางคาฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรม สั้างขังท่านางคะฉามีาพระพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ทำไมสิ่งทั้งหลายในโลกมีมากมายกายกองจึงไม่เปลี่ยนวาจาและอุทิศน้ำใจถึงเล่าจึงมาถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจง้งเห็นแทงตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วด้วยพระไถยและด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามทุกส่วนซึ่งเรียกว่ามัชิมา ทำที่ปรากฏขึ้นให้โลกได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้ก็ออกมาจากพระไทยของพระโพธิจ่าที่ทรงประพฤติปฏิบัติโดยชอบแล้วนั่นแหละบรรดาสงฆ์สาวกแตัตริย์ท่านก็มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายแต่กลายมาเป็นพระนังคัจฉามิอันมือ ส, สุดสุดส่วนให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาขอพอกการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระโพธิจ้าที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานนี่แหละ บรรดาท่านผู้วิเศษทั้งหลายที่เรากราอ้างว่าเป็นสนรานานี้ไม่ได้ดสดําเร็จมาจากอันใด น, นอกจากมาัทิตมาปฏิบัติที่พระองค์ประทานไว้นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราที่ได้เกิดมาในเป็นความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาและบําเพ็ญคุณงามความดีจึงเป็นอันว่าเราได้ดําเนินตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าจึงขอได้พากันเจริญบําเพ็ญไปเรื่อยๆ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 ทำรรบุญก็คือความสุขกุศลก็คือความฉลาดผู้มีความฉลาดย่อมต่อแสวงหาความสุขได้พระพุทธเจ้า ก, ก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาก็เป็นผู้ฉลาดสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นข่าสุกหรือเป็นภัยต่อพระทยออกได้โดยสิ่นเชิงด้วยความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่ากุศลผลที่ปรากฏก็คือบรมมาสุขได้แจบนิพพานังปรามังสุ ข, ขังที่พระองค์เจ้าทรงกรองอยู่ตลอดไป นี่เกิดขึ้นจากความฉลาดคำว่านิพานังประมังสุขขังคือพระนิพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นจะได้ครองสำหรับท่านผู้สำเร็จมรรคผลนิพานประการเดียวแต่ความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ว่าคนมีประเภทใดบรรดาที่มีกิเลสก็ย่อมต้องการด้วยกัน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 อารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์ที่ดีงามเป็นอารมณ์ที่สดชื่นเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดความสุขความสบายแก่ใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญสุสลมีทานศีลภาวนาเป็นหลักสําคัญเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาเป็นอารมณ์ของใ จ, จล้วนๆคือการกําหนดจะ ก, กําหนดทำบุบรใดก็ตามเช่นกําหนดพุทโธพุทโธให้มีความรู้สึกอยู่กับคําว่าพุทโธโดยไม่ปราศจากสติคือความรับรู้ในคำวริกรรมของตน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 มีอนาพานัติเป็นสำคัญที่พระองค์ทรงบําเพ็ญในกก่อนที่จะตรัสรู้ใจอาศัยอารมณ์อันเป็นธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง จ, จิตใจย่อมจะมีความสงบเมื่อใจมีความสงบใจจะมีความร่มเย็นและมีความเป็นสุขขึ้นภายในตัวเองนี่แหละคือสาระของใจพุทธทางสนางคฉามิเราก็น้อมพระพุทธเทจ้าเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อให้เป็นอารมณ์ของใจ ทำมังสนางกระฉามิเราก็น้อมเอาพระธรรมที่ท่านตรัสรู้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจสังขังสนางกระฉามิเราจะน้อมเอาบทใดก็ตามเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อเป็นอารมณ์ของใจแล้วมีสติระมัด ร, ระวังรักษาอยู่เสมอใจจะมีความสงบด้วยบุตรธรรมนั้นๆแล้วก็เป็นความสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าจิตสงบจิตสงบกับความสุขนั้นน่ะมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน พอจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มเป็นสุขจิตสงบมากเพียงใรก็มีความสุขมากเพียงนั้นนี่คือความสุขที่จิตต้องการที่รู้เป็นความสุขของจิตโดยแท้หรือเป็นสาระเป็นที่พึ่งของจิตโดยแท้อันนี้และที่จะเป็นที่พึ่งของจิตตลอดไปแม้อัตภาพร่างกายนี้สลายลงไปแล้วร่างกายหมดความหมายก็ตามแต่จิตกับความสุขนี้จะไม่หมดความหมายของกันและกันเลยจะตามกันไปเรื่อยๆจนตลอดทั้งอวาสานแห่งภพแห่งชาติ มีถึงพระนิพพานเป็นสำคัญนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงเนียแนวทางให้พวกเราทั้งหลายดําเนินคำว่ามัตติมาปฏิบัติคือแนวทางที่แนวทางที่ถูกต้องมีงามให้ถึงจุดหมายปลายทางมีพระนิพพานเป็นสำคัญแต่การบำเพ็ญกุญงามความดีย่อมขัดต่อพิเลศพิเลศเป็นค่าศึกต่อใจต่อธรรมอยู่เสมอขณะที่จะทำกุงามความดีไม่ว่าประเภทใดๆ กิเลสมักจะแย้งมักจะขัดมักจะต้านทานดีไม่ดีก็สู้กิเลสไม่ได้และส่วนมากแพรกิเลสตลอดเวลาเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาก็กลัวทุกข์กลัวลําบากบางทีก็กลัวเป็นบ้าไปอย่างนั้นมีมากในขณะที่กิดคิดวุ่นวายไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นอัอเอนเป็นบ้าตลอดเวลาไม่สําคัญไม่คิดว่าตนเป็นบ้าแต่พอจะภาวนาเพื่อเอาธรรมเข้าสู่ใจให้รับความสงบสุ ข, สขก็กลัวเป็นบ้าไปเสียนี่ก็คือคนมายาของกิเลส หลอกดวงพวกเราเราจึงเป็นไปตามคิดแถวของกิเลสอยู่เสมอจะทำคุณงามความดีอะไรก็มีแต่กิเลสมาขัดขวางขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเขาเหตุไรเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่แนบอยู่กับจิตตลอดมาตั้งแต่กลับไหนกันในถ้าเป็นอาจารย์ก็เรียกว่าศาสตราจารย์ชั้นเอกจนไม่มีทางที่จะคิดว่ากิเลสนี้เป็นภัยต่อตอนเองเพราะฉะนั้นกิเลสกับเราจึงพักพันกันอยู่เสมอ ทุกเกิดขึ้นมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสเราก็ยอมรับว่าเราเป็นทุกแต่ไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าความทุกที่เกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอันใดแต่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกนอกไปจากกิเลสแล้วไม่มีอันใดเป็นสาเหตุพระพุทธเจา้าท่านจึงสอนให้แก้กิเลสเพราะกิเลสเคยเป็นภัยของสัตว์โลกตลอดมาไม่ว่าการไหนไหนไม่ว่าอยู่ในสัต บุคคลใดบรรดาที่เป็นกิเลสมากน้อยจะต้องเป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์มากน้อยถ้ามีมากกอดละบาดออกไปข้างนอกให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายตา ม, ตามกันที่โลกไม่มีความสงบโลกเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงก็เพราะอะไรก็เพราะอํานาจของกิเลสที่แสดงตัวออกมากมานั่นเองถ้าว่ากิเลสได้ยุบย่อลงบ้างเพราะอํานาจแห่งธรรมคือเหตุคือผลอันงีงามเข้าบังคับกันบ้างแล้วโลกก็จะมีความสงบร่มเย็นตัวของเราเองเมื่อได้ รงับดับที่เล็ไปด้วยช่วงการช่วงเวลาก็มีความสงบสุขในทางใจเช่นขณะที่เราภาว น, นาใจย่อมได้รับความสงบสุขบ้างเพียงขั้นสงบสุขเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าของการภาวนาหรือของศาสนาแตพราะยังยิ่งเห็นคุณค่าของใจเพราะใจยังไม่ปรากฏว่าเป็นคุณค่ากแก่ตนเองเลยตั้งแต่วันเกิดมาถ้าหากไม่มีความสงบภายในตนเมื่อการใดมีความสงบปรากฏขึ้นภายในจิตใจขณะนั้นแลจิตใจเริ่มเป็นของมีคุณค่าแสดงให้ตนได้เห็น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 ความฟุ้งซ่าอันแท้จริงรและความ ส, มามสงบอันแท้จริงก็คือใจเป็นตัวการท่านสอนเข้ามาที่นี่ทั้งนั้นไม่ว่าคัา 8, 000, 000, มภีใดใดแปดหมื่นี่พันพระพารมาขันท่านชี้เข้า ม, มาในตัวจับตัวบุคคล น, นี้อย่างเดียวไม่ได้สอนไปต้นไม้ภูเขาหรือดินฟ้าอากาศที่ไหนศาสนธรรมจึงสอนลงที่ใจเป็นสําคัญเฉพาะอย่างยิ่งสอนลงที่มนุษย์ศาสนาก็ประทานไว้ที่มนุษย์ท้องเราให้เป็นเพราะเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขทุกข์ซึ่งควรจะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของท่านได้ จึได้ประธานโอวาทไว้กับภุมนุมชนคือมนุษย์ของพวกเรานี่แหละนี่ได้กล่าวถึงเรื่ององค์สมาธิอันแท้จริงคือใจความฟุ้งซ่านวุ่นวาที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองก็คือใจเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความสงบด้วยการภาว น, นาให้ใจรับความสงบร่มเย็นเมื่อใจมีความสงบร่มเย็นแล้วจะคิดอ่านตรองด้วยทางปัญญา พิจารณาถึงเรื่องไตรลักษณ์คือในจังทุ ข, ขังนาตาซึ่งประกาศทางวานอยู่ภายในกายในจิตของเหล่านี้ได้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นมาโดยลำดับนั่นแลจะเห็นทางที่แก้ไขถอดถอนกิเลสดูอุปทานซึ่งกองอยู่ภายในจิตใจของเราออกโดยลำดับลำดับคำว่าปัญญาคือความเฉลียวฉลาดความคิดอ่านไใจตองด้วยความรอบคอบขอบคิดในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใจ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 เฉพาะธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกนั้นกิเลสไม่เคยยอมอะไรไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นกลัวแต่ธรรมอย่างเดียวเฉพาะอย่างยิ่งคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกรู้อยู่ตัวอยู่เสมอปัญญาเป็นสิ่งสําคัญเป็นเครื่องฟาดฟันกิเลสแม้จะมีหนานแน่นยิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาจะสามารถตัดขาดกระจายออกไปได้หมดจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของตนเหี้ยข้าว่าปัญญาแท้อยู่ที่ใจ ท่านชี้ในตำหรักตำนามากน้อยอย่างไรท่านชี้เข้ามาสู่ใจของคนของสัตว์นี้เท่านั้นเพราะเหตุใดเพราะสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่กับมนุษย์เราสัตว์ก็มีแต่ไม่เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงต้องสอนมนุษย์ข้ามาทุกทุกที่ไหนเป็นสาคัญทุกที่กายที่ใจเฉพาะอย่างยิ่งทุกที่ใจกายมี ไม่ร่ำเวลาอยู่บ้างส่วนใจนั้นรู้สึกจะยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเพราะควรตัวเองอยู่ด้วยความคิดความปรุงต่างๆอันเป็นพิษภัยแก่ตัวเองจึงต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเสมอสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าสมูทไทเป็นผู้ผิดขึ้นมาคือความคิดความปรุงทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่ผูกพันหรือรัดดึงตัวเองนั้นท่านเรียกว่าสมูทไทผลที่เกิดขึ้นจากสมุทไทก็คือความทุกข์ใจความร้อนใจ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 ปัญญาสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้ออกออกได้มากน้อยเพียงในเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามๆกันโดยลําดับลําดับลาดับเมื่อถึงขั้นสุดท้ายคือความดับทุกข์ด้วยอํานาจของนักอย่างเต็มที่นิโรธก็แสดงตัวอย่างเต็มภูมิมีเรียกว่าสัจธรรมทั้งสีได้ทํางานโดยสมบูรณ์คือมากคก็ทํางานแก้กิเลสโดยสมบูรณ์เต็มที่นิโรธก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มที่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 คุณงามความดีทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้คือเครื่องมือเป็นเครื่องบุกเบิกหรือถอดถอนทุกข์กับสมุทัยทั้งหมดนี้ออกจากจิตใจได้นิโรธก็ปรากฏตัวขึ้นมามารสองสองบทสุดท้ายคือนิโรธกับมารนี้เป็นทางบุกเบิกให้พ้นจากความกีดขวางทั้งหลายอันได้แก่ทุกข์กับสมุทยัยสุดท้ายก็เราเองเป็นผู้บุกเบิกถาก้าง ที่เป็นขวามเป็นนามได้แก่กิเลเรตอาชวะทั้งหลายออกจากใจของตนเองและหลุดพ้นไปได้หลุดพ้นที่ตรงนี้เองไม่หลุดพ้นที่ไหนบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ที่นี่พนเพราะผู้นี้เป็นผู้เศร้มองผู้นี้เป็นผู้ได้รับความทุกข์สุข ก, ก็สุขที่นี่ผู้นี้เป็นผู้โง่เมื่อแก่ผู้นี้ให้มีความฉนาดด้วยปัญญาแล้วผู้นี้ก็บริสุทธิ์พ้นจากความชนะและหลุดพ้นไปโดยประการทั้งปวงมแ래ที่ท่านว า, านิพันนังพรมังสุ ข, ขังเราจะปหานิพัน์ที่ไหนกัน ทำไมหาที่กิจบริสุทธิ์ลิมุดพรนิพพานนี้ไม่หาไม่มีที่อื่นเป็นเป็นนิพพานได้ไม่มีที่อื่นเป็นที่บริสุทธิ์ได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นการประพฤติปฏิบัติและการสั่งสอนทำพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนลงที่ใจเมื่อใจได้รู้เหตุรู้ผลตามความมีควา ม, วามตามตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนไปโดยลําดับเริ่มต้นตั้งแต่การให้ทานนักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆก็เลยกการเป็นศีลสมาธิ ป, ปัญญาขึ้นภายในตนเมื่อ เราได้อบรมให้มีความสามารถแก่กล้าขึ้นแล้วไม่ว่ากิเลสชนาเท่าภูเขาหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาสามารถทําลายให้ขาดทะลุไปหมดไม่มีถึงใดเหลือภายในใจเลยแม้กิเลสจะเคยมีฝังจมอยู่ภายในจิตใ จ, จมาตั้งกับตั้งการก็ตามเมื่อปัญญาได้แทงทะลุลงไปแล้วก็เกิดความสว่างจ้าขึ้นมาเช่นเดียวกับความมืดที่มีมาตั้งกับทั้งการก็ตามเพียงเปิดไปคือทันั้นความสว่างปรากฏเพื่อความมืดหายไปหมดไม่ได้ มีกฎเกณฑ์บังคับได้เลยว่าเราเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันแล้วเพียงไฟที่เปิดขึ้นขณะเดียวเท่านี้ไม่สามารถจะทําลายความมืดของเราไปได้อย่างนี้ไม่มีสําคัญที่ความสว่างปรากฏขึ้นความมืดก็ดับไปอันนี้ชั้นในเรื่องกิเลสจะมืดมาขี่กับขี่กันก็ตามอยู่ภ า, ายในจิตใจของเราเมื่อสติปัญญามีความสามารถเจริาแล้วแทงทะลุลงภายในกิเลสกิเลส้ายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจากแจ้งความมืดด้วยกิเลสนั้นศูนไม่มีเหลือภ า, ายจในจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมา นี่แหลที่ท่านบริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์อย่างนี้บริสุทธิ์เพราะเหตุใดบริสุทธิ์เพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้ามีมัชชิมาปฏิปทาเป็นสําคัญจึงเรียกว่ามัชชิมาคือศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลาทั่วโลกทินแดนไม่มีอันใดที่จะเหนือมัชชิมาไปได้กิเลสตัวใดไม่มีที่จะเหนืออํานาจของมัชชิมาปฏิปทานนี้ไปได้จึงเป็นธรรมที่ว่ามัชชิมาสมควรแก่การแก้กิเลสแก้ความขั้วทั้งหลายอยู่เสมอไปฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้นาบัพินิษพิจารณา เราสามารถในการปฏิบัติในแง่ใดซึ่งเป็นคุณงามความดีสําหรับเราก็ให้พี่มีความพายันหมั่นเพียรกระพฤติปฏิบัติําจัดสิ่งที่มัวหมองภานในจิตใจของตนให้มีความสว่างกระจ่างแจง้งขึ้นมาผลสุดท้ายเราจะมีความสุขความเจริญด้วยอำนาจแห่งการประพืดปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจีตเวลาจึงขอยุดติลงเพียงเท่านี้เวลานี้เราปฏิบัติยังไม่เข้าหรือและทราบแรงว่าไม่ไม่เข้าทำยังไง ะปะการปฏิบัตแหลกประหมดนั้นหรออธินาทานแหลกประหมดเยนั้นหรอือการไ ม, ม่ชุบจาแหลกประหมดมุสาวาตแหลกประหมดดุลาแหลกประหมดกินทุกวันอย่างั้นหรอถึงว่าผิดจออากรามัชชมาฮะเพราะว่าไม่เข้าใจคขอัวนี่ว่าไม่ถูกว่างัา้นก็ต้องถามเพืความไม่ถูกทำยังไงถึงไม่ถูกไงฮะเพาว่ า, ง, า, า, างั้นนี่่อจะคดนี้กอธบายให้ฟังแล้วหลักการปฏิบัติ ขั้นก่อนที่จะบอกว่าอย่างชัดเจนแล้วมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรบ้างธรรมารที่ติดธรรมารทั้งกระโปรเป็นต้นความเห็นยังไงมันชอบคือเป็นการแก้กิเลสความเห็ยังไงเป็นการส่งเสริมกิเลสเราก็พอจะทราบได้ต้องทําให้ปลูกใจสงบไม่ได้ใจสงบได้ก็แสดงว่าถูกต้องจจที่จะสงบกาภาวนาถูกต้อง พอ ท, ทําเรื่อยๆมันก็ค่อยยื่นไปเรื่อยๆเพราะเป็นการเสริมไปเรื่อยๆมันก็ยืนไปเรื่อยๆเมื่อยังเด็กเมื่อรับการบำรุงอยู่เสมอเด็กก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแม้ว่าเด็กยื่นไปเรื่อยๆก็ได้แต่เขาไม่ยอมเรียบการเารขาเจริญติบโตขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่วาถึงได้ถ้าได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอข้างฝ่ายชั่วฝ่ายดีจะมี ค, ม ค, มความเจริญขึ้นดังนั้น ทา ง, ทายยางดีเราก็พยายามส่งเสริมหรือว่ามุ่งเสมอมันก็ค่อยอยิ่งขึ้นเลยเรื่อยๆคือเจริญขึ้นเลยเรื่อยอาทิติอาทิตย์อาิตย์ขาอะไรท่านบอว่าออกลงไปมองไปต่อไปก็ราบเอออย่างนี้ก็รู้สึกว่ามีอะไรติดกันนะ ทิฏฐังปัิตังสุมหังคิดประเมวสมิจตุสัเพปุเรนตุตังกะปาจานโทพนะระโสยถามนิโชติระโสยทาสัพีตโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีพายุโกภะ อะพิวาทนาศีริสะมิะ จ, จังมุทภาจาญโยจตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสีพางอาลางภวะตุสัพพมังคารังพรัขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสรังคานุภาเวนะสัพพโสทีภาวันตุเต